มันบัชิตทั้งฝ่ายกระหัสถูกครองเดเรือนเข้ามาถูาวัดก็แสดงตนสำหรับคราวาสก็กลายเป็นจากคริหัสถูกครองเรือนกลายเป็นอุบาสกกลายเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเนี่ยธรมะหาความสงบงจังกิตอยู่กายแล วาจาตรอทั้งกิริยามารยาต่างๆก็เข้าไปสู่ภาวะเนคัมมะปฏิบัติก็คือมาเจริญพระกรรมฐ า, านมาบำเพ็ญศีลมาบำเพ็ญสมาธิมาบำเพ็ญภาวนาให้เกิดปัญญาทั้งสามประการนี้ ไายพระสงค์องค์เจ้าก็บำเพ็ญจิตให้มีสติปัญญาก็คือถิงสธรรมารที่ปัญญาอันอยกันเรียกว่าไตรสิกขาสามจะเป็นญาติโยมฝ่ายครวาสไหวอุบาสกปฏิกาก็ตามจะเป็นพระปิสุขสมันเนินก็ตาม มีพระวินัยบัญญตัติควบคุมจิตในการมีสติปัญญาไม่ฟ่าฝื้นจากการกระทาทั่วยาบเพื่ อ, อบัติโทษแต่ประการใดญาติโยมเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีการควบคุมจิตโดยมีสติสัมปชัญญะคือศีล เป็นมนุษย์ให้บริสุทธิ์เรียกว่าพุทธศาสนิกชนแต่ลายสินได้ทำก็มีใช่กล่าวชื่อว่าพุทธศาสนิกชนปตปลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่เนีหน้าจะเรียกว่าชาวพุทธ แน่ม่ตาจะเรียกว่าพุทธศาตริกชนคนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายมีชื่อหมายว่าเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าคําว่านับถือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านัานคือยอมรับปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าชาวพุทธที่เราเรียกว่าพุทธศาสนิกโดยทั่วไปนั้นก็คือบุคคลกลมหนุงที่ตั้งใจมั่นยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยอมรับ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 ท่านก็รู้ตัวของท่านอยู่แล้วนั่นแหละจึงจะคู่ควบคุมตัวได้มันจะมีระเบียบเรียบร้อยอย่างคือชาวพุทธที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือศีลธรรมนั่นเองคําว่าศีลธรรมก็คือท่านมีสติทั้งชัญญะถ้าหากว่าท่านไม่มาเนธธรรมะปฏิบัติไม่มีสติปัฏฐานศีล ขาสติปัญญาไปมาได้อันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ยชาติกลายเป็นคนธรรมดาคนไม่ทั่วคนสุกๆดิบๆถ้าท่านปฏิบัติศีลเป็นคุรสมบัติของท่านแล้วอันจะเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งกายกิริยามารยาก็สวยน่ารัก จะกราบพระน้ำมัการพระก็เรียบร้อยพิจะสวดมนไหว้พระดีขึ้นสติท่านดีก็กำหนดจิตกรรมาฐานได้ตันมีสมาธิถี่มั่นจิตมั่นอยู่ในความดีได้ปัญญาของท่านก็จะใช้เป็นประโยชน์ประจําตัวเองประจําครอบครัวได้ อันนี้ทิ้งจะเรียกว่าพุทธศาสนิกอันถูกต้องแต่คนไทยชาวพุทธมากมายก่ายกองไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้เลยกลายเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มพระพุทธเจ้าบัญญัติอันใดไว้ก็ไม่ทำตามปานาธิปาตาก็ยังฝืนใจดำอมิหิเทียมโหดทารุณดุร้ายค่าสั ต, ตัวเป็นให้จาตายนี่หรือชาวพุทธ ไม่มีจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์อาฆาตเกียดแค้นใจดำนอกดำในจิตใจอาฆาตเกียดแค้นฆ่าสัตว์หน้ายยางลงคออาินาทานเกิดขึ้นอีกชอบเบเบียดเบียนทรัพย์เขาอยากได้ของเขาแต่ของตัวก็ไม่จะละรักษาไว้ให้ดีจะไม่มีอันเป็นประโยชน์ในชีวิตของท่นาน ไหนเลยเล่าทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองที่หาไม่ได้ความยากหามาด้วยความลําบากกลับไปเบียดเบียนทรัพย์ที่เขาหาได้ยากลําบากก็เหมนเราเราหาได้ยากลําบากเช่นเดียวกันยังฝ่าฝืนขืนไปเบียดเบียนทรัพย์เขาโงกงคนโน้นโงกงคนนี้นาวายหลังหลอกเหมือนผีเข้าผีออกตลอดเลยการกลายเป็นดีชาติผีสิง อยู่ในใจิตใจของคนเหล่านั้นคนใดถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนิกยหแต่จะกลายเป็นคนผีเข่าผีออกบอกไม่ได้ผีสิงปีศา์ผีสิงอยู่ในใจิตใจของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะมีปีศาจสิงอยู่ในใจิตใจให้ทำความชั่วตลอดไป ตลอดกระทั่งร่วมประเวณีในช่องโคมหน้าบาดรีที่เขาลือกันทั่วไปยังจะต้องหลอกรวงโลกหวังอลาบโปลหกหมดเท็ดไปพูดเท็ดพูดซอดเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อตลอดเลยการไม่มีหลักธรรมประจำจิตประจำชีวิตคุ้นทานแถมเมาโลกเมาลาบเมายศ ก็ยังไม่พอกลับไปเดิมสุรายาเมาให้มันเมามากก็ไปอีกคนเราก็เมากันอยู่แล้วเงินงสมองอยู่สเสมอเมาอยู่ตลอดเวลาการเมาโลกเมาโกรธเมาหลงตลอดเวลาการกลับไปกินซูมสุรายาเมาให้มันเพิ่มเกาไปอีกเลยกลาเป็นอะไรกลายเป็นมนุษย์สแปะโตมนุษย์ซเดลฉาโน ไล่มารลยากขาเถิดผลไม่มีสติควบคุมจิตใจคนเมาเมาอะไรหลายอย่างพูดไม่มียางอายขาดฮิริโอตะปาเพราะเมาด้วยสุรายาเมาเมาเมาราเมายศเมาโลภเมาโกรเมาหลงมันก็เมาอยู่แล้วก็ยังไปดื่มสุรายาเมาอีกให้มันเมานอกเมาในเสียเกิดเสียการเสียงานของท่าน นี่แหละท่านพุทธศาสนิกชนเป็นบุคคลที่ไรสาระเป็นชาวพุทธิแบบฟอร์มเพื่อลงสมโนครัวว่าขับพระเจา้านับถือศาสนาเท่านั้นไม่มีการปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกัก็ต้องการจุดนี้สําคัญมากมาเนธธรรมะปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้จริง ประธานเจริญสติปัฏฐาน4ีได้สิสอนกันทุกวันนี้กายานุปัสสนาสิงทางกายสมาธิทางกายปัญญาทางกายมีไม่มีเพร่ะจิตที่ดีมีสติแล้วกายก็เรียบลอยไปด้วยจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอน จะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดเหยียดขามีมารยาทเป็นชาติพุดีมีศิลธรรมพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาดูในข้อปฏิบัติทุ้งทันอย่าว่าเยาวหน้า ว, า, วายหลังหลอกที่บอกกันไม่ได้นี่แหละกายานุปัสสนาตกายพองกายยุบกายยืนหนอห้าครั้งขวาอย่างหน่้ายอย่างหนอนี่กาย มีศิญอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นสมาธิเกิดขึ้นจากการยืนหนอห้าครั้งเดินจงกลมเป็นต้นท่านมีสติเดินตายก็เรียบร้อยตายมีสิญมีธรรมจิตใจก็มีปัญญาจะทําอะไรก็เรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อมช้อยละม้อยละไม้เรียบร้อยไปทั้งได้ตายเรียบร้อยไปได้ก็ว่าจาก จิตใจก็มีสัจจังเวอมาตาวาจาพูดจริงทําจริงทุกสิ่งไม่แปรผันไม่แปรพักไม่แปรพวกเป็นพวกเดียวกันหมดคือเนคขมมะเป็นพวกเดียวกันหมดคือท่านอุบาชกท่านอุบาสิกาปฏิบัติเนคขมมะปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รู้สึกรู้ซึ้งใจลึกนะบางด้ยวยกายานุปัสสนาด้านกาย ทั้งโลกประรรมนามธรรมชัดเจนเวทานานุปัฏนาจะปวดเมื่อยก็ทรมานอันใดก็มีสติยัดเไปด้วยการภาคปฏิบัติของท่านจะได้รู้โลกนามจะรู้ขันห้าเป็นประการใดาการปวดเมื่อยนั้นก็เป็นอุปาทานที่ควรจะศึกษาสแสวงหาความรู้เรียกว่าสัมมาทั จุดมุ่งหมายอันนั้นก็ทำให้สมาธาเป็นการศึกษาให้ชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมเวทนาที่ปวดมันก็หายไปจิตก็ไม่ผวางสงตาจิตก็ไม่ประยึดเหนียอุปาทานก็ไม่ประยึดมันสติก็ดีขึ้นจิตใจก็เป็นกุศลเป็นปัญญาแล้วนั้นเวทนาก็ลดขึ้นดับไป แลามันเอาสายลูกเกิดมันจึงเกิดเวทนาในตัวตนมันมีทั้งเวทนาทางด้านนอกด้านในสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอเบกขาเวทนาไม่สุกไม่ทุกข์มันก็ใจลอยเลื่อนลอยออกไปหามีสติปัญญาไม่คนเราถึงแตกแยกกันไปเพราะการกระทำจากกฎแรงกรรมเหล่านี้เป็นตน้น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 ถ้าทำผิดลอกผิดจุดแล้วท่านจะทำได้ถูกต้องหรือประการใดจะไล่ความหมายขาดเหตุผลจิตใจก็ไม่เข้าครูสอนเทศนาจิตไม่ถึงจึง่งโดยธรรมะเข้าไม่ถึงมันไม่มีโอกาสจะซึ้งใจได้แน่นอนจิตใจก็เลยเพลาสผาดเหมือนคนเดิมไม่ผิดทำยังไงก็เป็นคนเอะเลออยู่นะไม่ดีกว่านั้นเลย คนที่ดีมีปัญญามันจะเปลี่ยนภาวะมันจะเปลี่ยนนิสัยให้เข้าสู่ในความดีขยันหมัน่นเพียรตลอดเลยการจิตจะไม่ตกไปพบลามกจิตใสใจะสะอาดบริสุทธิ์จิตจะไม่ลามกสกรปรกในตัวเองก็มีความสะอาดปราศาจากมลทินและความสมองโดยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตสะอาด ถึงจะคิดอะไรนอกกลูนอกทางก็มีสติไปควบคุมดูแลที่มันคิดว่ามันคิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไอ้สติตัวนี้จะบอกได้ชั้นปัญญาจะรู้ได้เลยว่าคิดไม่ดีเสียแล้วเราจะพลาดผิดต่อไปไม่มีโอกาสที่จะดีได้ฉะนั้นในเมื่อไม่มีโอกาสเช่นนี้แล้วท่านจะรู้กฎแหองกรรมว่าทรมานุษ์ปัฒนาติปฐานได้อย่างไร ทำที่เป็นกุศน์ทำของท่านเป็นอากุกศนท่านก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าทําถูกหรือทําผิดชีวิตจะเป็นแกงสารนีร่จะลายสาละท่านก็ไม่ทราบท่านก็จะไม่รู้ถึงต้องกําหนดรู้หนอที่ลิ้นปีนั่นว่าท่านท่านมาแล้วครั้งอดีตเมื่อวานนี้หรือว่าวันเช้านี้เป็นตอนที่ทํานั้นเป็นอาโกศน์ นม่อยากเปนกุสลแต่ประการใดควรจะเปลี่ยนภาวะแลกแต่ไขยปัญหาตรงนั้นชีวิตท่านก็จะแจ่มใสจะไม่มัวมองชีวิตท่านจะผ่องใสและผ่องแผ้วจิตใจจะคลายแคล่ ว, ว่วงมานจิตจสันดานก็จะหายไปความดีมาแทนที่ไอสันดานไอสันดอนก็จะหมดไปจิตใจจะไม่เป็นสันดานนอนเนื่องในะสันดานอนุสัย หลวงเจ้าไม่มีแกท่านอีกต่อไปโดยทำมาโนปัตสนาทิปทานแต่ผู้มาปฏิบัติจิมจิมจำจำวันเดียวกลับก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอ่านหนังสือเพียงแต่หน้าปกเท่านั้นคำนำก็ยังไม่ทันจะอ่านเลยก็กลับบ้านซะแล้วถ้าท่านจะไปรู้อะไรหรือแล้วกลับไปพูดกันเพ้อเกอในสังคมขุข่าวพุทธว่ามาทำตมาฐานมาผวรไม่ได้เรื่องเลย ไม่ไดาอะไรถูกต้องทุกประการเพราะท่านอ่านแต่หน้าปกคํานํายังไม่ได้อ่านเลยว่าเรื่องอะไรอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อันใดทําไมต้องพิมพ์เรื่องนี้ด้วยฉันใดก็ฉันนั้นท่านมากันมาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งสูงอายุและไม่สูงอายุ ออกแบบเดียวกันหมดเลยอ่านแต่หน้าปกก็ยังอ่านไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็นแถมคำำํานําก็ไม่รู้ว่าเขานําอะไรเขาทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยกราบแล้วกลับแล้ ว, ก ล, ลวกลับไปถึงบ้านแฝนก็ถามเป็นไงแล้วแฝงไปปฏิบัติคำมาดาอะไรไม่รู้เรื่องอับเขาเลยนี่เนี่ยอย่างนี้เสียมากไม่ได้เรื่องและปรับเปลี่ยนเวลาที่มาด้วย น่าจะตีค่าเวลาของท่านหน่วยชีวิตมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์โชติผลแต่แล้วก็กลับกลายเป็นคนไรสารไม่มีเนื้อหาและแก่นสารเนื้อหาสารไม่มีแกนสารมันก็ไม่มีแกนมันก็ไม่มีแถมเปลือกก็หมดตอนไม้นี้มันจะอยู่ได้อย่างไรมันจะยืนต้นได้อย่างไรมันจะงอกงามให้ได้ไม่ได้ จิตใจก็จะซบเซาจิตใจก็จะเศร้าหมองมาแลกบุญกันเท่านี้เป็นไปไม่ได้วันนี้มีตํารามาถามล่วงเพาะคะฉั้นแผเมตตาให้ลูกมันก็ยังดีไม่ได้จี่หลงพ่อบอกให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกลูกจะดีได้ไม่เห็นเป็นความจริงเลยลูกมันก็เปะตามเดิมก็แหมานางแม่เอ้ยสร้างความดียังไม่ถึงดี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 บางคนอยู่ในวัดนี้ว่าฉันดีแล้วมันไม่ดีแต่มันอวดรูอ้อวดดีอวดว่ามีปัญญาขอบเท็จจริงไม่มีเนื้อหาสาระแต่ปร ะ, ะการใดเหมือนคนว่างไปว่างมาเปลา่าไปเปลา่ามาไม่มีอะไรติดเป็นเชื่อไขมีแต่สนิมในใจมีแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องหาสาระ สัตว์ตั้งหลายจะริญกรรมาฐานได้ดังที่กล่าวแล้วตั้งอกตั้งใจกลับไปบ้านก็จะโลนกุศลภาวนาให้มันเสมอทนเสมอปลายทันทิ้งจะแต่ไขปัญหาของท่านได้ท่านจะอ่านหนังสือเพียงหน้าปกท่านจะสบ ป, ปกักปกลามกทันงจะแต่ไข้ตรงไหนเล่ม น, นึงเล่มเดียวก็ยังอ่านไม่จบคำน้ำก็ไม่รู้ว่าหนังสือเนี่ยเรื่องอะไร เขา้าการไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนท่านมาเจริญกรรมาฐานยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยขวาย่างซ้ายย่างก็เดินไม่ได้กําหนดหาสติการกําหนดยืนหนอก็ไม่ได้ยืนหนอตั้งสติให้ได้ยังไม่มีใครทําได้หรือเพราะไม่อยากจะทําไม่สนใจที่จะทําไม่สนใจที่จะคิดไม่สนใจที่จะ ส, ะสนสร้างสติ ไม่มีตัวกำหนดกฎเกณ์วิจิการไหนเลยแล้วท่านจะได้อะไรเล่าไม่ใช่มักสร้างความดีแค่วันเดียวทำความทั่วต้องหกวันหนึ่งสัปดาห์ทำความดีแค่วันเดียวก็ไม่ถึงชมองมึงก็ยังไม่ได้แม่ห้านาทีนี้จะเอาส ต, ติไว้กับจิตจะห้านาทีก็ยังทำไม่ได้ถ้าเจ็บวันหนึ่งสัปดาห์มิจ่สสล ะ, ะวนวุ่นวาย ในบ้านของตนระวางสามีภรรยาระวางบุตรธิดาเป็นตน้น ร, ระวางชะละวนวุน่วนวายความชั่วมีมากกว่าความดีและท่านจะเอาความดีไปลบล้างความชั่วมันจะได้ตัวอันได้ท่านจำไม่ได้พ้นจำไม่ได้อันนี้สองไปที่น่าสงสารมากชาวพุทธศาสนิกช น, นทั้งหลายท่าจนจงโปรยทราบความหมายไว้ นีาสร้างความชั่วมากกวความดีแน่นอนในเวลาหนึ่งเช่นวันนี้ตั้งแต่เช้าอารุณ์ขึ้นแสงทองส่งล่าสง่าสีงามอารุณ์ขึ้นก็แสงมีแสงเงินแสงทองพอขึ้นสูงขึ้นแสงเงินแสงทองป่องาำพันก็หายไปพระอาทิตย์ก็ฉายแสงองสูงโลกสูอกรุงทิีะเที่ยงวนัน เทียงวันน่าจะไม่กลับไปทางต้นมันก็จะเลี้ยวลัดอัจฉรงคตถ้าอาทิตย์ก็เลี้ยวชายมาพลับอัจฉรงคตตกไปแล้วเราได้อะไรต่อในวันนี้น่ะคืนวันนี้จะได้อะไรหรืจะไปนอนนั่งนั่งนอนนินทาชาวบ้านแล้วก็นอนนึกแต่ไอ้เรื่องที่ชู้ชั่วเอาตัวไม่หลอดดังสติไว้ทุกอริยบท ปรากฏธรรมท่านจึงจะพบความดีในจิตใจของท่านท่านจะคิดว่าตัวดีมีปัญญาแล้วจะใช้ไม่ได้จริทั้งหลายเอ่ยอาตมาประสบมามากมาจริงจิจิตนี้เนี่ยมันจะดีได้ยากมันจะคิดอีปาเถะคิดบ้าบ้า บ, าบา่บถ้าสติทั้งปัญญากาหนดจิตได้จะคิดจะเลื่องดีจะคิดลิดเริ่มให้จเจริญ ไอ้เดินไปข้างหน้าพระจิต ท, ท่านตกขาดสติสัมปชัญญะจิตเจลามกุมกรกบกเหมือนเดิมเหมือนท่านมานั่นเองแล้วท่านก็ไปตามเดิมน่าจะคิดว่าเราคลอดจากทัพพาของมารดาจิตประพัดสอนจิตผองสใยทุกคนมาคลุกฝุ่นกันข้างนอกมาคลุกกิเลกันข้างนอกให้จิตเศร้ามองตลอดในการน่าจะตีความหมายว่าจิตภระพัดสอนเหมือนเธอมา มีจิตผ่องใสมาคลุกคล้ากกับกิเลสโลกโทดหลง ป, ปทัทุฑทะาลมาคลุกคล้ากกับอันตาพานมาคลุกคล้ากกับบัณฑิตสร้างความคิดแตกต่างกันไปคบผานก็ได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลอย่างนี้คบคนชั่วทำตัวอาบจนคบคนดีได้ผลจงวันตายหมายความว่าอะไรครบผานได้ผิดก็คือสติจิตนี่ มันขาดสติท่านจะพบคนผานในจิตท่านถ้าจิตท่านมีสติและมัชามย์ญญกำหนดสติปัฏฐานสื่อควบคุมเขาไว้ได้จิตท่านจะเป็นบันฑดิตท่านจะพบบัณฑดิตในตัวท่านอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่คนโน่นชั่วคนนี้ดีบ่าบอคอแกกันกรอบกลัวกันนาวายหลังหลอกบอกไม่ได้นี่และดิศาผีสิงมันอยู่ตรงนั้นดิศา ผีมาเข้าแผ่เมตตาผีก็ออกหมดรับรองได้เลยแตมาประสบไอ้ผีแาดมันมาเข้าคนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ใช้เมตตันใช้กรณียเมตตันสูตรภาวนาเข้าไปผีมันออกไปได้มันก็มาบอกเราคือเมตตาไอ้ผีดุษฎีศรีสิงนน่ยสวดกรณียเมตตันยาโสทั้งหมื่นจบมันก็ไม่ออกผีมันไม่ออก ผีมาหลอกเรามันหลบเข้าหลบออกของมันอยู่ในจิตใจหนาวายหลังหลอกอยู่ในผีดุสาาผีผีสิงดูในจิตของบุคคลนั้นร้อยเปอร์ซผีไม่ออกแนะ่เมื่อหาเมตตาไปยังไงผีมันก็ไม่ออกทําไมไม่ออกเพื่อจะได้เพราะผีมันสิงนแน่นแ น, น่นโดกิเลสแน่นโดยทิฏฐิ มานะอยู่ในตนเองแน่นด้วยสันดอนตัวฉันดานมันอยู่ในกิจการของมันผีมันไม่มีทางออกแต่หากว่าโยมคนนั้นมาเจริญกรรมฐานเจริญสติเจริญสอนสัมปชัญญะตายานุปัสสนาจะยืนเดินนั่งนอนจำหนดเสียงหนอเหวีหนอ คิดหนอโลรธหนอเป็นตน้นไม่สบายใจหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนอนี่ยกตัวอย่างให้เห็นทําให้มันจริงสั้งอย่างได้ไหมนั่งน่อยบิดไปบิดมาเบ้วไปเดี้ยวมาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะเอาอะไรอีกเยอะถ้าท่านมีสติทั้งไม่ฉัญยะไม่ลดละภาวนาแล้วท่านจะเปลี่ยนจิตจากความคิดเลวกลายเป็นคนคิดดี อาจจะพบบันดิตในจิตใจทข้งท่านจิตใจถ้าเราเป็นอันตรพานได้ผิดก็ขาดสติฉับปัาญญะจิตของท่านจะได้เป็นอันตรพานพานโนนพานนี่หาเรื่องคนโน้นหาเรื่องคนนี้ตลอดเลยตาเนี่ยโค้งต้องแล้วอแต่มาดูคนอีกตรงนี้ชัดเจนมากแตา่ท่านทั้งหลายมีสติควบคุมจิตท่านไว้ได้มีสมาธิมัน่นตายให้มันตาย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 ข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระธรรมข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระสงฆ์ถาวายชีวิตไปเดินพันข้าพเจ้ายอมตายฆ่าก็ฆ่าขอเดียด๋ยีไม่เอาไหนไม่มีการยอมตายแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธานชีวิตตัง้งยาวนิพันนังเทระนังขจฉาไม่มีเลยไม่มีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาทั้งบูชา ต่อองค์ต้นเด็กปั้นมาทันประชาเลยไม่มีเลยมาวายหลังหลอกผีดีสา พ, พีสิงสิงไปที่โนนสิงไปที่นี่ไอ้ดีสาตัวนี้สําคัญพาเที่ยวมันพาคนนั้นเที่ยวเที่ยวไปนินทาเขาเที่ยวไปกล่าวลายใส่ปายฉีเขาตลอดถ้าท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านมาเจริญสติปัฏฐานสีเจริญจะกรมาฐานขันห้าลูกนามเป็นอารมณ์ ข่มจิตด้วยสติใช้สติธรรมะแปลว่าข่มจิตธรรมะแปลว่าคมคมตัวนี้แปลว่าตั้งสติไว้ให้ได้ธรรมะตัวนี้ตั้งสติแล้วให้รู้ตัวอยู่ให้ได้อย่าให้จิตมันเลเพล่าภาพละล้อมละเหลอกละหลาหลัวละหลวมเดี๋ยวได้นี่เนี่ยสันดานก็หาย โอวชนดานหายตัวที่ถีก็หายนี่เนี่ยดีสาดผีสิงมันจะออกไปด้วยสติสัมปชัญญะขาดสาติสัมปชัญญะแล้วตัวดิสาดผีสิงมันก็สิงตัวดำเดิมดิสาดมากเลยคท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัฏวันไม่ตกรัผกวผีไม่ตกรัวผีเปรตเมตตาตัวเดียวเปรกก็ออกมาขอทวนบุญเมตตาตัวเดียวแล้วดิสาดมันก็ออกมาขอทุนบุญ อาศุลากายสัตว์ร้ายด้วยักษ์ร้ายมารร้ายอ้ามนุษย์มันก็ต้องยอมเมตตาแต่ไอ้ดีศาร์อยู่ในตัวคนเนี่ยมันไม่ยอมใครมันสิงอยู่ตลอดเวลาการมีที่ผิตลอดเลยการเพราะไม่สยบให้กบใไรแต่เราเริญกระกรรมาฐานแล้วจะสยบจะพบบรรัณฑิต ชีวิตจิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโลกกายก็หายโลกจิตก็หายเพราะดีศาสถึงมันออกไปแล้วนั่นคือกิเลสเป็นเหตุทำลายเราตลอด ต, ตัณความหมายผิดจิตใจท่านจะเลเพล่าพาจะไม่เป็นบัณฑิตมีความคิดสงก็จะไม่คบค้าสมาคมอีกต่อไปแล้ว พี่น้องเนคขมมะปฏิบัติที่รักประธานมือสติธระมัญญะทันจะพบบันดิตที่จิตของท่านจิตของท่านจะเป็นนักปราดถนมีความสามารถองค์อาการปฏิบัติงานแนละโดยชอบประกอบกรรมดีไม่ประกอบกรรมชั่วจะประการได้ผีเข้าเรื่องเล็กผีหลอกเรื่องเล็กธรรมะกลัวคนหลอกคนหลอกได้มาก ไม่เอาเลยผีเขา้าผีออกมาหลอกเลองกันใช่ได้เลคนที่มีสติดีมีสมาธิดีจะพบบัณฑิตมีความคิกสูงจะทำอะไรก็มีแต่บัณฑิตจะทาอะไรก็ริเริ่มทางที่ดีจะทำอะไรก็สร้างความดีมีปัญญาแต่หากว่าทางขาดสติฉะมัจัญญะมาลายผีดิบเขา้า ผีสิงข้าผีปอบเข้าวมีตั้งผีปอบด้วยนะผีปอบเข้าวคนนั้นกินโนนกินนี่กินตกกินจิกกินโนนกินนี่กินนี้กินหายกินลากินดีก็ขึ้นมันก็อยากไปหมดไอ้ผีปอบไอ้ผีปอบนี่มันอยากกินโนนกินนี่กินเครื่องเส้นกินเครื่องของขาวกินหอยตูกินโนนกินนี่กินหอยยาำ กินกุ่งเผากินวัตธุน่ลนี่มันชอบอย่างนี้นะแต่คนมีสติฉันปัญญะดีแล้วก็ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์จะไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ประการใดจะมีจะแม่ตาปลาณีอาลีเอือ้อเพื่อคาาเหลือคอยดูกันเป็นสายสัมพันธ์ของบัณฑิตพราะแปลอันทั้งหลายมาจเจริญกรรมาฐานพบบัณฑิตทุย่าง ดิ้ยังมีใจเป็นบัณฑิตวิจัยความคิดประกานได้ท่านคบพานมาได้ท่านขาดสติไปแล้วท่านจะเป็นพานเองพานหาเรื่องกับสามีพานหาเรื่องกับภรรยาพานหาเรื่องกับพ่อแม่พานหาเรื่องกับภูริมีเนธรรมปฏิบัติมีสติฉัมพัญญาท่านจะคบจะบัณฑิตจิตใจท่านเป็นบัณฑิตมีความคิดสูง ทำอะไรก็ลงโลษโชตนาการรุ่งเรืองพัฒนาสถาพรออกมาอย่างนี้เนี่ยคบผาในผิดคบดีโดยผมแล้วก็เดี๋ยวท่านก็ต้องไปครบไดคนชั่วถระจิตใจท่านมันชั่วแล้วคนดีคงไม่เจอกันอีกต่อไปละ จ, จิตใจท่านจะไปชอบคนชั่วเอาตัวไม่หลอดแนะนอนเฉพาะสเปคเดียวกันมันชอบลินทาคน มันชอบด่าคนชอบชุบชืดชุนี่เป็นผงกสือเป็นผีกระหังคนที่ขาดสติสัมปชัญญะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผิกระหังถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผีกะสือสือที่โนนสือที่โนนสืทน อ, นส ท, นอนสที่นี่ขายที่นอนสือที่นี่เหนือผีกระสือขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดโดยทุนนการที่น้องเนตรธรรมะธนูบาศก ท่านอุบาสิกาทั้งหลายทุกจลาตรงนี้ให้มาต่อมาจะมายอมเชื่อใครต่อไปแล้วถ้าท่านเป็นบัณฑิตมีสติสัมปชัญญะจะคบหาจะบัณฑิตถ้าท่านขาดสติสัมปชัญญะจิตท่านจะตกไปเป็นอันตรพาลสันดานบาปอยู่ในบ้านของท่านไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยาก มีจากความลาบากตกลอดชีวิตจนเข้าลงหีบสอบเขาทึ่เมนต่อไปด้วยกันทั้งนั้นทุกติงปฏิกังขาตายแล้วท่านจะไปอยู่ในเมืองนรกไปอยู่เป็นเปิเปดอสูรากายศาสตร์เดยวาฉานต่อไปโดยหาวันเวลาไม่ได้อันอุบาโสกปฏิกา้งหลายโปรดพิจารณาตรงนี้นี่และไอ้บัณฑิตในตัวเองไม่ต้องไปหาคนที่อื่น อาเทวันนาจะพาลานางปันติตาปัปจะเทวนาอย่าเสววกถ้าท่านมีสติจมัมมชันยะดีท่านจะไม่เสววอกใดคนอันตาพานปาติลูปเทสวาโศลแต่ จ, จะอยู่ในประเทศอันสมควรพอแท้จริงเป็นประการได้ปาติลูปเทสวาสะแต่ จ, จะอยู่ในประเทศสมควรที่เหมาะสมที่สุดออกมาปาิิลูปัง อับวชแล้วท่านเจ้าสอพรบอุปชาบอกปาติลูกปปังโอ ป, ปาญิกัง ป, ปาสาทิเกณัตสามปาเทหีเป็นต้นชัดเจนถ้าบวชแล้วต้องปาติลูปลูปแบบให้มันสวยหน่อยได้ไหมพิสูจนองค์เน้นปาติลูกังไม่มีเลยไม่ปาติลูปลูปแบบเดยยัยงไงก็อย่างนั้นเป็นคารวะมา ย, า, ายังไงโหมผ้าเหลี่ยมก็เป็นอย่างนั้น หมอมพระเหลืองแล้วก็เป็นคลรวะตามเดิมนุ่งเลียงไม่ได้นี่ปฏิลูปังไม่จับรูปแบบเลยนะพระพุทธเจ้าสอนพระสงองค์เจ้าจับรูปแบบปฏิสังาโยนิโชติวัลแบบังปฏิเสวามิจับรูปแบบปฏิลูปังปฏิสังาโยนิโชบินทะปาตังปฏิเสาวามิจับรูปแบบยะถาปัจจยังติวัลแบบัง บินถปาโตเสนาธนกีฬาเพศท่านสอนดีเลิศเกินจะรับประเคนท่านทายกทายิกาก็ด้วยความเคารพพิจารณายาถาปัจจียงนั่นคือประกรรมฐานเวลาจะขบฉันอาหารก็ปฏิสังขโยนในโชบินถปาตังปฏิเสวามิจัดปฏิลูปังรูปแบบแต่ฉันอาหารก็ค่อยๆ เรียบร้อยคือกรรมฐ า, านตัดมาชา้าช้าพิจารณาโพชเนมตันดุตาเชี่้เรียบร้อยจะเคี้ยวก็ช้าช้าจะเกินก็ช้าช้าไม่มูมามไม่ฟกฟักไม่มูมามไม่เลอะเทอะไม่เปื้อเปื้อนก็ฉันช้าช้าท้อนก็ไม่ดัง จะหยิบจานก็ไม่ด่างต้องแบ่งร้องกันเรียบร้อยนั่นปฏติลูปังโอปาจีกังเป็นต้นจับรูปแบบด้วยสวยเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าจับรูปแบบนั่นจะคือปรกรรมาฐานโยมพวกรรมาฐานทานอาหารก็พิจารณาคำข้าวคำแกง จะเป็นแกงเปลี่ยวหวานมันเพนจะทานได้ไม่ได้พิจารณาก่อนว่าเราโพชนเมนมตะนิยูตารู้จักประเมินประมาอาหารแต่พอสมควรไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปให้พอดีพอดีเหมาะสมทำตัวให้เหมาะสมให้เข้าก่าเขาได้ปรับตัวให้เขา้าก็เด็กได้เข้าผู้ใหญ่ได้ยางดีเถึงจะเรียกว่ากรรมฐ า, าน ทานอาหารเรียบร้อยช้อนก็นไม่ดังไม่ขูดจานไม่โกรธจนเกลิ้งกลางเกล้งกลางอะไรอย่างนี้แป่นตอนเนื้อสงัดอยู่ด้วยความสงบเนคขัมมะแปลว่าอยู่ด้วยความเรียบร้อยอยู่ด้วยความสงังัดและก็อยู่ด้วยความสงบจึงเรียกว่าเนคขัมมะปฏิบัติไม่ใช่บวชชีพราม บวชชีพรามต้องไปวัดอื่นไปนั่งกันเยียดกันบุญกลาบนอนกันบางกางถน น, นเป็นหมืน่นเป็นพันพระก็มาเทิกันใหญ่แจกดีตาเลีเ่ยอะไรกันไม่พักแม้ท่านได้อะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าบวชชีพรามเอาพรามไปใช้ในบ้านพรามน้อยหน่นน้อ ย, อยกรอยตากรอยใจก็ไปตามสาละและเวทีของชีวิต ถาจะมีเวทีของชีวิตที่เลวร้ายการบวชเนธธรรมะปฏิบัติต้องการเวทีที่สงบเวทีที่จะทํางานเหมือนมวยมีเวทีฟุตบอลมีสนามฟุตบอลเทคนิคก็มีสนามกอล์ฟก็มีสนามปอล์แต่ชีวิตของเราก็ต้องมีสนามลบ่อกิเลส ท, ที่เป็นเหตุถึงท่าศึก ทำเราให้เราต้องเสียเอกเสีอใจเพราะกีเลฐานที่คือข่าศึกของชีวิตเราก็ต้องมืสนามรบที่จินที่อยู่ที่อาศัยเป็นสนามของชีวิตต้องให้เหรียบ้อยดูด้วยความสงบนัดถีนั้นตีพลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วทำตัางหลายอย่าวุ่นวายใจ ทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดตัดจากมนทินถ้าจะพบบัณฑิตถ้าจะไม่ไปคบกับพานอีกต่อไปแล้วถ้าจิตใจท่านไม่ดีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวท่านนัารจะพบอันตรพานมาทิ้งโนนทิ้งนี่เวียงนอนเวียงนี่บ่าบอคอแตกหน้าเหมือนยักษ์หน้าเหมือนมารหน้ า, า, นาเป็นรูปรกายจะตายตอนนั้นสาหรับเป็นสัมภเวสี อาศุลกายท่องเที่ยวอยู่ในถนนหุนทางนอนกลางถนนทอนทางที่รถก็ชนตายโดยสั ม, มวเวสีท่องเที่ยวอยู่วัดสงสารหาที่อยู่ไม่ได้และหาประมาณไม่ได้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันมีม่เหล่าญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมรับดุสาถือสิงออกไปเช่นถ้าท่านมีสติธรรมะชัญญะดีละดุสานจะไม่มีอยู่ในบ้านท่าน ถือสิงก็จะหมดไปท่านจะไม่เป็นผิงตาเสือยองผู้ชายก็คงไม่เป็นผีนกระหังหังโนนหังนี่สื่อโนนซื่อนี่ซื่อโนนซื่อนีนอน่ช้อปปิ้งโนนช้อปปิ้ง น, น, งนี่นั่นคืออาหังผีกาหังมันบินได้ไอ้ผิงตาเสือมันก็สื่อสารสื่อไปทางโนนสื่อมาทางนี่โตก็ตกลามกมันกินของโตก็ตกโดยไม่รู้ตัว ไอ้ผิงกระสือมาผิงโครงควายข้างวัดอัมพรวันเมื่อสองพันห้าร้อยยดยืดยืดแต่แต่มันไม่รู้ว่าตัวมันเป็นผิงกระือเหมือนอย่างเราเนี่ยใครมาว่าเป็นผิงกระสือโกรธมากว่าเป็นผิงอาหารก็โกรธกับทั่งที่เราไม่รู้ตัวเราเป็นผิงกระสือเลยเช่นเดียวกันกับสาวทิชชนไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นคนชั่วจะบอกก็กจะโกรธจะโทอใครถ้าท่านมาฝึก มาปฏิบัติธรมแล้วก็มามาหาความดีให้จะรู้ตัวได้ว่าเรานี่หน้าที่ได้ละลิขชาติว่าเราทำผิดทั้งอดีตมาอย่างเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นเฉินเข้ามากหลายนันแหละให้มันรู้ตัวอย่างนี้จะได้แก้ไขตัวเองจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรเริ่มดันเงินงานที่ใหม่ให้เป็นคนดียิ่งใหญ่ในครอบครัว สามีก็ไม่ทะเลาะหาเลี่ยงกับภรรยาภรรยาก็ไม่หาเลี่ยงกับสามีสร้างความดีให้ลูกสร้างความดีให้คุณพ่อคุณแม่ต่อไปแลวก็สติทันบัญญะดีแล้วนะ่ะฉันจะเป็นบนัณฑิตไปไหนก็อ่อนน้อ ม, เจ อ, อมเจอพระก่อนนมัสการเจอผู้สูงอายุก็ไหวเลี้ยงทางอย่างเด็กมาอบรมที่นี่เยอะ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 ไม่รู้ไปาศาสตร์ไปสวดที่ไหนประการดังถ้าท่านตั้งใจสอนลูกท่านตัดไปเล็กๆหรือท่านจะไม่สอนถ้าเอาแบบสอนลูกกําลังคลานท่านสามีภรรยาสวดมนต์ไหวพระเรื่อยๆเด็กมันก็จํากําลังโจดมันจะจําแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยมันอยากจํำคงดีแต่พ่อแม่มันเลวเอาของทั่วมาให้ลูกจําเลยลูกก็จําของทั่วไปมันจึงทําตัวไม่ดี บาบอขอแตกไลมาและญาตขาดชาติกูดีลายสิงทม ม, มาจากพ่อแม่ชัดเจนมากเนี่ยเมื่อาาวันนี้มาจะบอกหลวงพ่อที่แผ่เมตตาลูกแมวไหนอมแม่มันมีตรงไหนล่ะยังไม่ได้ดีทําดีะไรสวดมนให้ลูกขึ้นให้ลูกมาสวดมนมันตอมันต้องตามแล้วทอมันก็โศกแล้วมันก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเป็นเวรกรรมของพ่อมาต่อไปเถิด นี่ค่ะเป็นความจริงเนื้อธรรมะปฏิบัติถ้าเป็นพระปิสุเรียบร้อยมีปฏิสังขโยมีอะชะมายาอชายะยะถาปัจจะยังเรียบร้อยผู้ดีเจมคั่นการเจริญกรรมฐานคือผู้ดีเจมคั่นองค์สมเด็จตั้งมาทั้งมิตรเจ้าจักรพัทและจกักรภพปลารบทรัมมาสอนพระปิสุในประธรรมวิญัยนี้คือผู้ดีสําคัญ เอาของพระลาชาพระมหกรรมาสตร์มาสอนว่าผู้ดีเขาทำกันอย่างนี้พระนี่เป็นผู้ดีจนขั้นทำเรียบร้อยหมดไม่อะไรก็เรียบร้อยจะเดินเหินปางพุทธลีลาสวยหน้ารักหน้าเคารพหน้าบูชาหน้ากราบหน้าไหวหน้าส้นเริญจริญนพรเดี๋ยวนี้ไม่นำตามตามอย่างนั้นแล้ว อาจจะเิงกรรมฐานจะสวยน่ารักทั้งคารวาดทั้งพระบรรพชิตทั้งสร้างพ้อคิดนาเลียมสายศรัทธาขยันมันเพียรทำกิจวัตรไม่ขาดอย่างนี้เถอะทั้งหลายก็ไม่ว่ากันละจะเป็นพระทองแดงทองเหลืงอ ง, ลงก็แล้วแต่เนื้อหาของพระพระเขาเอาทองเหลืองหล่อมากา้พระเศษพระองค์นั้นเป็นทองคาก็เป็นไม่ได้เขาเอาดินปั้นมา พระองค์ั้ก็เป็นพระดินแต่เขาตกตัวเทพระมาหน้าหนึ่งก็เป็นตกตัวจะเป็นทองคําก็ไม่ได้โยมก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้ น, นั้นมีลักษณะการคล้ายคลึงกันมากนี่ะพระพุทธรัตน์เนินทั้งหลายถ้าท่ า, านมีสมาธิจริงท่านจะเรียบร้อยท่านจะมีสติมีศีลนำมาที่ปัญญาเรียบร้อยหน้ารักหน้าเคารพหน้าบูชาหน้ากราบหน้าไหว้ หากว่าฉันไม่มือถึงจะมาที่ปัญญาไกลศึกษ า, ากสามอัจะแสดงค่าทีปยามารยาจะไม่เป็นพะเป็นเนรไม่มีกดเกิน์วิธีการจะ่ทำอะไรก็เสียหลักเกินวิธีการของพระสงฆ์องค์เจ้าตามพระธรรมวิีไหนนี้จะถบฉันอะไรก็พิจารณาอาหารฉันเชี่ยวให้ละเอียดเยนหนอเที่ยวหนอ เที่ยวหนอกระวนหนอเป็นต้นเนืน้อหนังหนางสังก็กลายเป็นเนื้อหนังบุญยาโโยมก็เมือนการพิจารณาอาหารอย่างนั้นเมื่อขบมปฏิบัติเนื้อหนังโยมที่ได้รับเลี้ยงจากอาหารบุญเนืน้อหนังก็เป็นบุญมีความสุขทั้งเนื้อหนังมีความสุขทั้งจิตใจตายก็เป็นบุญจิต ก, ก็เป็นบุญชีวิตก็เป็นกุศล ทำมาลายก็ได้ผลสมฆ่าตราฐานดังในขีแจงแสดงมาณบัตนี้โยมที่จะกราบนำมัด ก, การลาไปบ้านเทหสถานขอให้เอาพระประจําใจไปเอาหลวงพ่อสติหลวงพ่อสมรมมชัญญะขลังที่ชุดหลวงพ่อวัดพระวันไม่ขลังเท่าหลวงพ่อสติขอให้ฝาของหลงพ่อสติติด ต, ตัวไปโยมจะเปลี่ยนภาวะให้ดี จะเปลี่ยนปฏิรูปางรูปแบบที่สวยงามเป็นชะอยู่ในจิตสร้างความคลิกให้เกิดปัญญาโยมจะดักกจปัญหาดาสมฆาปาถนาทีเดียวนี่อย่างนี้ไปก็ลามาก็ไหวเอาไปใช้ไปสอนลูกหน่อยนะไปโรงเรียนไหวพอไหวามาหน่อยไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหวบ้ า, บางเดี๋ยวนี้วิ่งกปนเกลียวกล่าวไม่ยิงข้าง่าชืนเอาดูไม่ได้ นี่แหละมันมาจากจุดนั้นมันมาจากจุดนี้แต่หากว่าทา่านผู้ใดมือศรัทธาเลี่ยงสต่อพระพุทธศาสนาเป็นการนำคงชีวิตเดินทางไม่ท่าผิดในมรรคมรรคคาแล้วโยมจะมีแต่ความเจริญมีแต่ควา ม, มรุ่งเรืองวัฒนาจะถาพรอไม่จำต้องกล่าวว่าไทยจะพูดแค่มุสลิมอิสลาม คลีกเขาก็มากันมากมนาหลายตาเอาไปใช้เ hmm. ป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิประจําวันของเขาเขาก็จะได้ประโยชน์ไม่มีโทษแต่ประการใดออกมาจะแต่ไขปัญหาได้ดังที่ชี้แจงแสดงมานดนี้กระสงองค์เจ้าก็ต้องสํารวมทังวระวางเหมือนโยอมยอมประซ้ำรวมคือสติระลึกอยู่เสมอสังวรมีความรู้ตัวว่าดีทั่ว กิริยามารยาจะมีเหมาะสมไม่ในสังคมละวางหยาบละมาดหยาบช่าอย่าละโอกาสอดนนีงามนั่นคือตัวปัญญาจะได้หลอกลวงในกองกางชั้นขานทุกวิถีทางของชีวิตต่อไปก็คงไม่เป็นถีกระหังไม่เป็นถิงกระสืต่อไปถิงกระสิอในตัวนี้มันแย่มากขอฝากไว้ยอย่าพบท่านเลงเอาจุดของท่านเติมบัณฑิต มีความคิกอยู่ในตัวไม่มีความช่วยต่อไปไปลามาไหว้ขอโหริตามพระรัตนกายประสงค์ก็ออกสาธุแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะได้มีโชคมีชัยเมื่อเราได้มีโอกาสมาบัเพินจิตภ า, าวนาแต่ถาวายเป็นพระลูกศรต่อสมเด็จระศรีนาริยทราบรล ม, า ย, มยากจุทะระมือูืสมเด็จญาดเสด็จดับฐานสวรรค์นนะครมาวัน 48, ที่สิบปดตุลากราคมพุศักราชสองพันร้อยสาสิปด ยากจะข้ า, ามพระราจัทานเท่าบรมนคบในวันที่สุดมีนาคมมากกุศลกาลสงพัร้อยสามสิบเกา้า 9, จะถึงในวันข้างหน้าแล้วเราก็มาบำเพ็ญกิจภาวนาถวายเป็นพระราจะปูสอทุกวันไม่ขาดบมวานนี้จะมาขาดไปวันจะเสียใจก็ไปที่ศูนย์การทหาจรจึงใหญ่แล้วต้องกลับมาให้สมทานนักศึกษาไมาด่ดมีโอกาสว่างรับ ขอให้ตาสงอ ง, องเ น, นเรเถระยาขาดช่วยกันถวายเป็นพระราชกุญนตสวจมนต์าหาพระยขาดละกาตอนแล้วก็ถวายช้ ย, ยมงคลแก่พระมหาบพิตรระพธลาดพระบพิษสถิตมหาสีมาสาธนุประถามพกยกยองพระพุทธศาสนาคือองค์พระลาชา ลองลาบมาได้ห้าทิปปานสาเร็จเราอย่าขาดกันบูชาไปสูวัดมนถาวายท่านบ้างไม่ได้เนี่ยนาบาะเพงจิจาวนาบางองค์ก็ไม่เป็นไรนะไม่เคารพบูชาท่านก็ไม่เป็นไรนี่เราจะปลูกต้นหมากลากไมก้ตามถนนเป็นการถาวายองค์พระราชาบางคนไม่เห็นด้วยเนยนะปลูกต้นไม้เธอจะเกลียดก็หน่อยก็ ย, ยังทําไม่ได้ เขาไม่รักองค์พราชาเลยเลยออฝากไว้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยว่าวาวเมีโปรได้ทราบทั่วันด้วยไม่มีการรักฉันอาตามาเนี่ยเสียสละชีวิตได้จะถาวายเป็นพระราชพรธีถาวายทุนชัยพัฒนาของท่านทุกวันที่เก้าเนี่ยเราเห็นอกเห็นใจการก่อุฒิชาพระราชพทธา็าไวายช่างอัฐาที่นี่เป็นท่างที่เก้า ถอาไวาเข้าสารมาลอยตาสุดกระสอบแล้วพวกเราชาววัตถุวันไม่เห็นใจบ้างหรือปลูกถ้วยกระลูกต้นไม้เนี่ยที้ของท่านเป็นการถาวายเป็นพระราชกุศลก็ยังทําไม่ได้อีกแล้วท่านจะทําอะไรตามที่นอนชาววัตถุวันทุกท่านการจะทําอะไรกันหรือแคปลูกต้นไม้ถาวายเป็นราชสกาละต่อพระองค์ท่านอาหมาบมพิกก็ยังทําไม่ได้ ไม่อยากจะทำกันเอาไม่เป็นไรนะสามาองเดียวก็ต้องสู้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าสงสาระจะเจ้าอยู่หัวต่าสองประทวนโลกอาไทยท่านยังไปช่วยโยมช่วยญาติพี่น้องประชงลูกกน้้ำนะท่วมที่ไหนท่านก็ไปช่วยวัดเราท่านอุศาโคศารมาให้ถึงรอยาวสประสอบแล้วพี่น้องชาววัดวันไม่เห็นบ้างหรือแต่เราจะเขาะเขวายต้นไม้ปลูกให้ท่านสักต้นหนึ่ง ออยังทําไม่ได้เยอะเอาละไม่ได้ไม่เป็นไรขอตัดไปเลยไม่ต้องปลูกกันต่อไปไม่ต้องปลูกนะแค่ที่ปลูกแค่วาเดียวก็ยังให้ไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปนะในลาตมาเนี่ยเชื่อชะละถาวายเป็นพระเจ้าพีต อ, องค์พระราชาต่างพระเนื่ต่างพ ร, ระการขององค์พระราชาจะช่วยชอนเดือดต่อไปยก็ขอฝากไว้ในโกอกาสนี้ด้วยอาตมายอมเชื่อชะละหมดแล้ ยาบโยมมีที่ปลูกไว้โยมที่มาป่าปฏิบัติเนี่ยธรรมะมีที่อะไรก็ปลูกสักต้นนึงเถะการจะนาพิเศิดนะปลูกให้ห่หลวงสักต้นได้ไหมเรือตัวจะเปลี่ยนที่ไปยหลวงที่ก็ไม่ต้องแต่ต้องปลูกเอาดินว่าสายลงต่อไปเอาไปไปปลูกในชาติหน้าต่อไปก็เอาเนี่ออก็มาว่าไรการขอตัดงดเว้นในการปลูกจนไม่เท่าไปเกียด ในถนนของวาุวันต่อไปได้มาจัางปลูกนะไม่เป็นไรแต่ประการใดแค่ตนมาปลูกในที่อื่ท่านเพื่อถาวายเป็นพระราชกัลยาถวายการเจรมาพิเศษก็ยังทําไม่ได้อ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามารวมปัจจัยแล้วเดี๋ยววันที่เก้ามิถุนาสองล้านห้าแสนต้องได้ถาวายเป็นทุนชัยพัฒนาไม่ต้องมาเรืม่มบุญกับตามาหรอก แในทางรวมบุญแล้วพระองค์เนี่ยทรงเหนือญาติพระวรกายมากมาถึงห้าสิบปันจ่าในนี้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพื่อบารมีของพระองค์ท่านก็ยังไม่ใช่ชิ้นกตัญญูก็บตัวเวทิตาธรรมเพราะไม่ได้แต่ย่อเะพูดผลอะไรกับท่านหลายก็ไม่เป็นไรตัมมาก็ขอนโมทนาสาธุการแต่อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านตลอดเราพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ใจบุญกุศล เดี๋าวสาถวายเป็นพระกุศลถวายเจะพรชัยมงคลไม่ขาดทุกวันเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาสองตื่นขึ้นเนี่ยในพระเดชวธรรมจากรประวัฒนาสูตรเป็นถวายพระองค์ท่านพระองค์ต้องเหงื่อย่าพระวรากายบารมีของพระองค์ปกปักษ์ประเทศไทยในประเทศไทยอยู่ด้วยความเ่็นเย็นประจุเพราะบารมีของพระองค์ไม่เฉื่อย โปรดชำระข้อนี้ไวม้มางก็จะดีถ้าจะได้อยู่เย็นเป็นชคเด็ต่อไปเพราะอำนาจปุณปะชีและอำนาจใหญ่อำนาจบูญกุศลทั้งหลายโดยประทานพรให้ญาติโยมพี่น้องทั้งฝ่ายบรรพิตจิตตะเกหากผู้สร้างความดีสางกุศลบุญยาลาถือเบิกการปฏิบัติธรรมนื้อคำมปะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงจเจริญรุ่งเรืองวัฒ น, นาสถาพรงอกงามไพบูรณในประพุทธศาสตร์ฉนา สององค์ทมเดือวประช้ำมาทุ่มเดือดเจ้าและจนจะเจริญไปด้วยอายุวันนาถูกขาพละปฏิภาณธน า, าสารทุ่มบัติในติสเหนึ่งประการได้สมความมุ่งมาจากตนาโดอการทุกฤดุทุกนามหน้าโอกาสบัตรนี้เทินสับพลวัตเวงในมวตัวสับปัญ บาวันต o วจับพระเวลามาตื่นตาวนึ่งตัวจะตัววางบาจเพื่อนไม่วางจับตัวจับาลวนวิ่งตัดตัวมาเะียบาวันวันตา เพื่อนเพื่ n นายุคนบาวปีวันเมยนชาเมยนจางวัาป่าชาน้อยจันทร์ตาโรตัมมาวันชาติอายุวันโนสุขา โตเวปัสจันนังอาคันกัมมังอาเทวเทวปัจจันนังนายะะเมปัน ป่าข้ามแม่ตุเอาเขังเขนป่าจนานงปยักเรานนท์ามดานางารังอาด่างปนหยัง ตาเาายุวันโนจะยโซุขังาคาสะคาตามาวอธรรมจำมาฮิโซเธวะโนมาโนโซวะ สวรรตดตะลังลังลาขันตูจัทวตาับตะปูานเวนกดเอสวัตเตาสวรัลังลขนตัวตา ตทมาณุภาเวนตาตากอดเทวาวนตูเตวาวนตูฌามตาลังลันตูฌาปวาตาจัตตาจั h คานุตาเวนัสตต